พวกเราเป็นชาวพุทธมีศรัทธาความเชื่อมีภาษาทความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาการที่เรานับถือพระพุทธศาสนาเป็นผู้นำพาชีวิตจิตใจของพวกเรา จะทำให้เราได้รับประโยชน์ที่ไม่มีอะไรในโลกนี้สามารถให้กับเราได้ประโยชน์ที่เราพึงจะได้รับนั้นก็มีอยู่สามประโยชน์ด้วยกันคือหนึ่งจะได้รับการคุ้มครองป้องกันภัยที่จะมาคุกคามจิตใจของพวกเรา สองจะได้รับการประกันชีวิตคือเราจะไม่ต้องมาตายกันอยู่เรื่อยๆอย่างที่พวกเรากำลังเป็นกันอยู่ในขณะนี้ขณะนี้พวกเราก็มาเกิดแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องแก่ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตาย หลังจากตายไปแล้วเราก็ยังกลับมาเกิดใหม่อีกแล้วก็กลับมาแกมาเจ็บมาตายใหม่อีกแต่ถ้าเรารับถือพระพุทธศาสนาแล้วเราเชื่อคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าและปฏิบัติตามได้เราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเมื่อเราไม่เกิดเราก็ไม่ต้องมาตายกันอีก น, นี่คือประโยชน์ที่สองประโยชน์ที่สามที่เราจะได้รับก็คือเราจะได้รับความสุขที่ถาวรที่จะเป็นของเราที่จะอยู่กับเราไปตลอดตายไปเราก็ยังเอาความสุขนี้ไปได้ความสุขนี้ก็คือความสุขของพระนิพพาน ที่เรียกว่านิพพานังประมังสุ ข, ขังนิพพานเป็นบรมสุขเกิดจากการที่เราเชื่อคำสั่งคำสอนและปฏิบัติตามพอเราปฏิบัติตามได้จิตใจของเราก็จะสาดบริสุทธิ์ปราศจากความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆ ที่เป็นตัวคอยมาสร้างความทุกข์ให้กับเราอยู่อย่างไม่รู้จักจบจากสิ้นพอเราได้กำจัดกิเลสตัณหาที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดสิ้นไปแล้วใจของเราก็จะสะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาเป็นนิพพานขึ้นมาเป็นบรมัสุขขึ้นมานี่คือประโยชน์ ที่เราพึงจะได้รับจากการมาเป็นพุทธศาสนิกชนมาเคารพนับถือเชื่อฟังคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือของพระอาหารหันตสาวกของพระพุทธเจ้าหรือคำสอนที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกคำสอนสามแหล่งนี้ จะทำให้เราได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาถ้าเราสามารถปฏิบัติตามได้ดังนั้นถ้าเรายังไม่รู้วิธีที่จะทำให้ประโยชน์ทั้งสามนี้เกิดขึ้นมาเราก็ต้องศึกษาศึกษาจากพระพุทธพระธรรมเลยพระสงค์ท่านก็จะสอนให้เรา าลาการกระทำบาปทั้งปวงและการเสพอบายามุกทั้งหลายถ้าเราอยากจะป้องกันภัยไม่ให้มาคุกคามจิตใจของพวกเราภัยที่จะมาคุกคามจิตใจของพวกเรานี้ก็มีอยู่สี่ชนิดด้วยกันคือหนึ่งสัตว์เดรัจฉานเปรตอสูรกายและนรก ถ้าเราไม่มีเกราะคุ้มกันเราก็จะถูกภัยเหล่านี้มาคุกคามจิตใจของพวกเราทำให้จิตใจของเราต้องทุกข์กับการไปเป็นสัตว์เดรัจฉ า, านไปเป็นเปรตไปเป็นเนอสุลกายหรือไปนรกเราสามารถป้องกัน ภัยเหล่านี้ได้ถ้าเราเชื่อคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าและนำเอาไปปฏิบัติตามวิธีป้องกันภัยไม่ให้เข้ามาคุกคามจิตใจก็คือให้เราละการกระทำบาปทั้งปวงและละการเสพอบายามุขเพราะการเสพอบายามุขนี้จะเป็นผู้สนับสนุน ให้เราไปกระทำบาปนั่นเองถ้าเราไม่เสพบาบายามุกโอกาสที่เราจะทำบาปก็มีน้อยลงไปแต่ถ้าเราเสพบาบายามุกแล้วเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วเราก็จะต้องไปทำบาปบาปมีอะไรบ้างก็มีหนึ่งการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตสองการลักทรัพย์ 3. การประพฤติผิดประเวณีสการพูดบทกหกหลอกลวงอบายามุกก็มีอยู่ห้าคือหนึ่งการดื่มสุรายาเมาสองการเล่นการพนันสาการเที่ยวเตรสความเกลียดคร้านห้าการครบคนที่ ชอบอบายามุกเป็นมิตรนี่คือสิ่งที่พวกเราพยายามควรจะพยายามอยู่ห่างไกลอย่าไปเข้าใกล้อย่าไปเกี่ยวข้องเพราะจะถูกสิ่งเหล่านี้ดูดให้เราไปทำบาปต่อไปอบายามุกนี้แปลว่าทางเข้าอบายอบายก็คือ ที่อยู่ของสัตว์เดรัจฉานของเปรตของอสุรกายและของผู้ที่อยู่ในนรกนี่คือสถานที่ที่เราไม่ต้องการจะไปกันถ้าเราไม่ต้องการไปเราก็อย่าไปอยู่ทางเข้าของสถานที่เหล่านั้นเพราะถ้าไปอยู่ใกล้แล้วเดี๋ยวพาดพรางก็ตกลงไปได้เหมือนถ้าเราไม่อยากจะตกจาก เหวเราก็อย่าไปยืนอยู่ใกล้ปากเหวเดี๋ยวมีอากาศพังเพลิผิดพลาดอาจจะตกลงไปในเหวได้นันใดถ้าเราไม่อยากจะไปติดอยู่ในอบายเราก็อย่าไปเสพอบายอมุกเพราะอบายอมุกนี้จะทำให้เราต้องไปทำบาปกันต่อไป เพราะการเสพอบายมุขนี้ไม่มีรายได้มีแต่รายจ่ายถ้าเรามีแต่รายจ่ายไม่มีรายได้ทรัพย์สินที่เรามีอยู่ไม่ช้าก็เลวก็จะต้องไม่พอใช้พอไม่มีเงินพอใช้เราก็จะคิดหาโดยวิธีทำบาลด้วยการหลอกลวงโกหก ด้วยการช่อโกงหรือไม่เช่นนั้นก็ด้วยการต้นจี้ซึ่งอาจจะทำให้ต้องเกิดการฆ่ากันตามมาถ้าเราไม่เสบอบายามุกแล้วเราก็จะไม่มีอะไรมาผลักดันให้เราต้องไปทำบาปอบายามุกนี้จะทาให้เราไม่ไปทำงานทำการหาเงินหาทอง เป็นความเกลียดค้านชอบเที่ยวเต่เที่ยวเต่ก็เสียแต่เงินไม่มีรายได้เล่นการพนันเวลาได้ก็ไม่เดิกอยากจะเล่นต่อเวลาเสียก็อยากจะได้คืนก็ต้องเล่นไม่ว่าจะได้หรือจะเสียเดี๋ยวในที่สุดก็ต้องเสียพอเงินหมด ก็ต้องขายทรพัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆเพื่อมาเล่นต่อพอหมดแล้วก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินไปโกหกหลอกลวงแล้วก็อาจจะต้องไปพ้นไปที่ไปขโมยเงินมาใช้เขานี่คือทำไมคนเราถึงทำบาป ก, กันส่วนหนึ่งก็เพราะไปเสพอบายามุกกัน เสพแล้วเดี๋ยวไม่ช้าก็แล้วก็จะต้องไม่มีเงินใช้ไม่พอใช้แล้วก็จะไม่ไปหาเงินโดยวิธีทำงานทำการพอเสพอบายามุขแล้วก็จะเกียดข้านจะไม่ชอบไปทำงานกันชอบเสพอบายามุขต่อก็จะหาวิธีหาเงินโดยวิธีง่าย ที่ได้มาง่ายๆมากๆแล้วเร็วๆก็ต้องหาโดยวิธีทำบาปนั่นเองพอทำบาปแล้วจิตใจก็จะถูกภัยทั้งสี่นี้เข้ามาคุกคามทันทีจะไปเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปจิตใจก็จะต้องไปอยู่กับพวกพวกนี้ไปอยู่กับพวกเดรัจฉาน ถ้าทำบาปด้วยความหลงไปอยู่กับพวกเรสถ้าถ้าทำบาปด้วยความโลภไปอยู่กับพวกอสุรกายถ้าทำบาปด้วยความกลัวไปอยู่ในนรกถ้าทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทโกรธเกลียดเคียดแค้นอันนี้คือภัยที่จะเกิดขึ้น ที่จะเข้ามาคุกคามจิตใจของผู้กระทําบาปของผู้ที่เสบบบายามุกถ้าไม่เสบบบายามุกไม่กระทําบาปภัยเหล่านี้ก็จะเข้ามาไม่ได้เพราะมะีเหมือนกับมีเกาะคุ้มครองป้องกันไม่ให้ภัยเหล่านี้เข้ามาคุกคามจิตใจของผู้ที่ไม่ทําบาป ของผู้ที่ไม่เสพอบายามุกนั่นเองนี่คือประโยชน์อันแรกที่พระพุทธศาสนาจะมอบให้กับพุทธศาสนิกชนถ้าปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์ได้คือให้ัะเว้นการกระทําบาปและการเสพอบายามุก แล้วโอกาสที่จะทำบาปนี้จะมีน้อยยังไม่หมดยังมีโอกาสทำได้เพราะบางโอกาสก็อาจจะเกิดความเดือดร้อนเงินทองไม่พอใช้ตกงานหรืออะไรทำนองนั้นต้องหาอะไรมาเลี้ยงชีพเนี่ยก็อาจจะไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเอามาเป็นอาหาร หรือถ้าไม่เช่นนั้นก็ต้องไปขโมยเงินทองเพื่อที่จะไปซื้ออาหารมารับประทานถ้าทำบาปแบบนี้ท่านเรียกว่าทำด้วยความหลงทำด้วยความอยู่รอดก็จะเป็นพวกสัตว์เดรัจฉานไปแต่ถ้าเรามีความซื่อสัตย์มีความมั่นใจมั่นคงต่อการไม่กระทำบาป ถึงแม้ว่าเราจะอดอยากขาดแคลนเราก็ยอมอดยอมทนไปหางานหาการอะไรทําถึงแม้จะไม่ได้มีเงินเดือนมากแต่พอที่จะเลี้ยงชีพได้เราก็จะไม่ต้องไปทำบาปเราก็ไม่ต้องไปรับผลของบาปได้ นี่คือการเป็นชาวพุทธนต้องมีความมีฮิเรโอตปะฮิเรแปลว่าความอายโอตปะแปลว่าความกลัวกลัวบาปมีความอับอายในการกระทำบาป <c oughs> เพราะผู้กระทำบาปนี้ จะไม่ได้รับการยกย่องสรรเสริญจะเป็นผู้ที่มีผู้ที่ถูกลังเกียจเวลาทำบาปเราจึงคนที่ทำบาปมักจะทำแบบปกปิดไม่อยากให้ใครรู้พอรู้แล้วจะอับอายขายหน้าเราจะไม่มีใครเขาจะสรรเสริญยกย่องมจีจะถูกประนาม ขอให้เราคิดถึงผลที่จะเกิดจากการทำบาปขอให้เรามีความอายเหมือนกับเรามีความอายเวลาที่เราไม่ได้แต่งกายเรียบร้อยเวลาออกนอกบ้านเราจะไม่กล้าออกนอกบ้านกันก่อนจะออกนอกบ้านเราต้องตรวจดูสภาพการแต่งกายของเราก่อนว่าเรียบร้อยหรือไม่ หนาตาสะอาดหรือไม่ร่างกายได้อาบน้ําอาบท่าปาศจากกลิ่นเหม็นหรือไม่ผมเเผวได้หวีอย่างเรียบร้อยหรือไม่ <c oughs> เพราถ้าเราไม่สะอาดไม่เรียบร้อยเราก็ไม่อยากจะ อ, ออกไปพบปากับใครเพราะเราอายอายในความสกรปรกหรือความไม่เรียบร้อยของเรานั่นเอง อันใดการกระทำบาป ก, ก็เป็นสิ่งสกรปรกของจิตใจเหมือนกับคนที่ไม่ได้อาบน้ำอาบท่าล้างหน้าแปรงฟันหวีผ้าหวีผมใส่เสื้อผ้าที่สะอาดก็จะเป็นลักษณะนั้นแต่จะเป็นลักษณะที่น่าเกลียดน่ากลัวมากกว่าความไม่สวยงามความสป ก, สกรปรกสกปรกทางร่างกาย พออย่างน้อยความสะกะปรกความไม่สวยงามทางร่างกายก็ไม่ไปได้ทำให้คนอื่นเข้าเสียหายเดือดร้อนไม่เหมือนกับความสะกะปรกทางใจถ้าใจเราสะกะปรกเราคิดจะทำบาปแล้วพอเราทำบาปเราก็จะไปสร้างความเสียหายความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นนี่คือความอายขอให้เราคิดว่า เวลาเราทำบาปแล้วนี่เราไม่เป็นคนที่น่าชื่นชมยินดีแล้วถ้าใครเขารู้ว่าเราทำบาปก็จะไม่มีใครอยากจะคบค้าสมาคมกับเราถ้าเราอยากจะคบค้าสมาคมมีเพื่อนมีฝูงมีคนที่เขาเชื่อใจเราศรัทธาในตัวเราเราก็ต้องมี ความสะอาดทางจิตใจคือเราจะต้องไม่ทำบาปเราต้องรักษาศีลห้ากันให้ได้แล้วเราจะมีความมั่นใจว่าเราไม่ได้เป็นบุคคลที่น่ารังเกียจเวลาเราไปคบค้าสมาคมกับใครเราก็จะคบค้าสมาคมได้อย่างสบายใจ ไม่ต้องมาหวาดระแวงหวาดกลัวว่ามีใครเข้าไปรู้ว่าเร า, เาได้ทำอะไรไม่ดีมาหรือไม่นี่นี่คือความอายถ้าเรามีความอายเราก็จะไม่อยากจะทำบาปเพราะเราอยากจะรักษาหน้าตารักษ า, าความเครดิตของเราความน่าเชื่อถือของเราเพราะการที่เราจะครบ พคบค้าสมาคมกับใครนี้ก็ต้องอาศัยความน่าเชื่อถือการมีศีลมีสัสสตว์ที่จะทำให้เราสามารถที่จะคบค้าสมาคมกับผู้อื่นได้อย่างไม่รู้สึกหวั่นไหวใครจะรปขุดคุย้ยใครจะไปค้นคว้าหาอาดีตหาสิ่งสกปรกมาป้ายลายป้ายสี เขาก็จะหาไม่ได้เพราะเราไม่มีสิ่งสกปรกเก็บซ่อนไว้ที่ไหนใครจะมาใส่ร้ายป้ายสีก็ไม่ได้เป็นความจริงเราก็สามารถที่จะยืนยันในความบริสุทธิ์ความสะอาดของเราได้อย่างเต็มปากนี่คือเรื่องของอิเลคือความอาย ถ้าเราไม่ทํำบาปแล้วนี่เราจะไม่กลัวใครจะมาป้ายร้ายป้ายสีอย่างไรก็ตามเราจะไม่รู้สึกหวั่นไหวจะไม่รู้สึกเดือดร้อนเพราะความจริงมันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาป้ายร้ายป้ายสีนี่คือการมีฮิริสองให้มีโอตตะปะโอตตะปะก็คือความกลัว ผลของบาปที่จะตามมานั่นเองผลของบาปนั้นที่แท้จริงเกิดที่จิตใจแต่บางครั้งก็มีส่วนไปเกิดที่ร่างกายด้วยเช่นทําผิดกฎหมายก็อาจจะถูกเขาจับไปติดคุกติดตารางจับไปลงโทษได้แต่บางครั้งเจ้าหน้าที่มีไม่พอทำแล้วไม่มีใครรู้ ก็อาจจะรอดไม่ถูกไปไม่ถูกเขาจับไปติดคุกติดตารางไม่ถูกจับไปลงโทษ่แต่อย่าไปคิดว่าถ้าเราทำแล้วไม่ถูกไปลงโทษเราจะรอดพ้นจากโทษเพราะนั้นเป็นโทษส่วนย่อยโทษที่เป็นส่วนทีเ่เป็นส่วนที่ไม่แน่นอนอาจจะเกิดก็ได้อาจจะไม่เกิดก็ได้ แต่ยังมีโทษอีกตส่วนหนึ่งที่ต้องเกิดอย่างแน่นอนก็คือโทษที่เกิดขึ้นที่ใจของพวกเราเนี่ยเวลาเราทําผิดแล้วนี่ใจของเราจะไม่สบายจะไม่มีความสุขต่อให้มีเงินทองมีตําแหน่งมีอะไรพอเรารู้ว่าเราได้ทําไม่ดีแล้วทําผิดแล้วแล้วเราปกปิดเันไว้มันก็จะมาเป็น เหตุที่จะทําให้เกิดความไม่สบายใจอยู่เรื่อยๆเวลาพบปะกับใครก็จะไม่มีความมั่นใจกลัวว่าจะถูกเขาจับได้เลือกค้นพบว่าเรานี้ไปกระทําอะไรไม่ดีมาใจของเราก็จะไม่มีความสุขขณะที่มีชีวิตอยู่แล้วเวลาตายไป ใจที่ทำบาปก็จะต้องไปเกิดในอบายไม่ว่าจะเป็นเดรัจฉานเปรตสุลกายเลื่อนนากขึ้นอยู่กับเหตุของการกระทำบาปของเราถ้าทำบาปด้วยความหลงไม่รู้ว่าเป็นบาปก็ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าทำบาปด้วยความโลภ ก, ก็จะไปเป็นเปรตถ้าทำบาปด้วยความกลัวก็จะไปเป็ น, นสุลกาย เป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความหวาดกลัวถ้าเป็นเปรตก็เป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความหิวโหยถ้าทำบาปด้วยความอาคาตพยาบาทโกรธเกลียดเคียดแค้นก็จะเป็นดวงวิญญาณที่ร้อนด้วยความความโกรธความเคียดความแคน้นนี่คือผลที่จะตามมาอย่างแน่นอน ไม่มีใครหนีกดแห่งกรรมได้อาจจะหนีกฎของบ้านเมืองได้มีเงินก็อาจจะซื้อได้ซื้ออิสลภาพได้หรือหนีได้ไปอยู่ต่างประเทศได้ไม่ถูกจับเข้าคุกเข้าตารางได้แต่ใจนี้หนีไม่พ้นกดแห่งกรรมใจก็จะมีความรู้สึกไม่สะอาดมีความรู้สึกหวาดกลัว รู้สึกไม่สบายใจ응เวลาเจอเจ้าหน้าที่ตำรวจบางทีก็เขาไม่รู้เรื่องของเราแต่เรารู้เรื่องของเราเราก็อาจจะคิดว่าเขามาจับเราก็ได้응เราก็จะมีความรู้สึกไม่สบายใจวาดระแวงอยู่เรื่อยๆนี่คือความผลของการกราทำบาปถ้าเราไม่ต้องการ ผลเหล่านี้เราก็อย่าไปทำบาปแล้วผลเหล่านี้ก็จะไม่เกิดขึ้นมา น, นี้เรียกว่าโอตตปะความกลัวผลของบาปที่จะเกิดขึ้นถ้าเราไปทำบาปถ้าเราเห็นภาพของเหตุการณ์ของเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับเรา ถ้าเราไม่ต้องการให้เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นกับเราเราก็อย่าไปทำบาปเท่านั้นเองเราก็จะปลอดภัยตายไปถ้าเราไม่ทำบาปตายไปเราก็ไม่ต้องไปเกิดในอบายไปเกิดเป็นมนุษย์ได้ทันทีแล้วถ้าเราได้ทำบุญก่อนที่เราจะไปเป็นมนุษย์เราก็ไปเป็นเทวดาก่อนไปอยู่บนสวรรค์ สวรรค์นี่ก็เป็นเหมือนสถานที่ท่องเที่ยวที่เราไปเที่ยวกันในโลกนี้เวลาเราไปท่องเที่ยวกันนี้ก็เหมือนกับไปขึ้นสวรรค์ชั่วคราวพอเราเสร็จจากการท่องเที่ยวเราก็กลับมาบ้านกลับมาทำมาหากินเหมือนเดิมต่อไปอันนี้ก็เหมือนกันด ว, วงวิญญาณของเราถ้าเราไม่ได้ทำบาปเลยถ้าไม่ได้ทำบุญเลยก็จะไปเป็นมนุษย์ ถ้าได้มีโอกาสได ad, doctrine, ้ทำบุญด้วย Then, ไม่ทำบาปด้วยก็จะไปเป็นเทวดาก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แต่เรายังต้องกลับมาเกิดต่อเมื่อเรากลับมาเกิดใหม่เราก็ต้องมาเจอความแก่ความเจ็บความตายกันใหม่อีกรอบหนึ่งถ้าเราไม่อยากที่จะกลับมาเกิดเราก็ต้อง เชื่อพระพุทธเจ้าทำตามที่พระพุทธเจ้าสอนวิธีที่จะทำให้พวกเราไม่ต้องกลับมาเกิดแก่กับเจ็บตายกันอีกต่อไปเราก็ต้องไปปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าจิตตภาวนาใบําเพ็ญจิตตภาวนาเพื่อชาระกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงความอยากต่าง ที่เป็นตัวที่จะดึงให้พวกเรากลับมาเกิดกันอยู่เรื่อยๆนั่นเองการที่จะปฏิบัติจิตภาวน า, าได้เราก็ต้องถือศีลแปดขึ้นไปถ้าเรารักษาศีลห้าได้แล้วเราก็มาหัดรักษาศีลแปดกันต่อเบื้องต้นก็อาจจะหาวันที่เราไม่ต้องไปทำงานทำการ สมัยก่อนวันที่ไม่ทำงานก็คือวันพระสมัยนี้ก็อา จ, จะต้องเปลี่ยนมาเป็นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ที่เรามีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆเพื่อที่เราจะได้ไปหาสถานที่สงบเพื่อไปรักษาศีลเพื่อไปฝึกจิตไปปฏิบัติธรรม เพราะการจะฝึกจิตการปฏิบัติธรรมนี้ต้องอาศัยสถานที่ที่สงบสงัดที่อยู่ห่างไกลจากเหตุการณ์ต่างๆอยู่ห่างไกลจากแสงสีเสียงจากรูปเสียงกลิ่นรสจากเรื่องราวต่างๆจากบุคคลต่างๆเพราะถ้าอยู่ใกล้กับเหตุการณ์เหล่านี้แล้วมันจะทําให้ยากต่อการที่จะทําใจให้สงบการปฏิบัติธรรมนี้เป้าหมายก็คือ ต้องการทำใจให้สงบเพราะถ้าใจสงบแล้วใจจะมีความสุขและจะเป็นความสุขที่จะทำให้ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายกันอีกต่อไปดังนั้นถ้าเราอยากจะไม่ต้องการกลับมาเกิดมาตายกันซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่างที่พวกเรากำลังเป็นกันอยู่ในขณะนี้ เราจะรู้หรือไม่ก็ตามเราจะเชื่อหรือไม่ก็ตามแต่ผู้รู้อย่างพระพุทธเจ้าและพระอัตะสาวกท่านรู้ว่าพวกเรานี้ยังติดอยู่ในวัฏจักรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดอยู่พวกเราเป็นเหมือนพวกคนตาบอดไม่รู้เรื่องของตัวเองคนตาบอดไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหน ต้องอาศัยคนตาดีบอกว่าตอนนี้อยู่ที่สี่แยกไฟแดงตอนนี้อยู่ที่ท่ารถตอนนี้อยู่ที่โรงเรียนอยู่ที่วัดนี่ถ้าไม่มีคนคอยบอกคนตาบอดจะไม่รู้ว่าตนเองอยู่ที่ไหนพวกเราก็เป็นเหมือนคนตาบอดพวกเราไม่รู้ว่าเรากำลังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏอยู่ในตายภพภพ ตายภพนี้ก็มีสามนะที่แบ่งเป็นสามภพเพราะผู้ที่อยู่ในแต่ละภพนี้อยู่กันคนร้าคนระแบกกันผู้ที่อยู่ในกามะภพนี้เป็นพวกที่เสพกามเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลึกภะก็มีพวกมนุษย์พวกเทวดาพวกสัตว์เดรัจฉานและพวกเปรตอาศัรกายนรกเนี่ยพวกนี้เป็นสัตว์ที่ยังเสพกามอยู่ ยังหาความสุข <c oughs> จากรูปเสียงกลิก่นรสปุถพภาก็จะวนเวียนอยู่ในอยู่ในกามะพบส่วนอีกพวกหนึ่งพวกที่ไปฝึกจิตไปทำจิตใจให้สงบสามารถเข้าฌานได้ถ้าเข้ารูปฌานได้ก็ได้ไปอยู่ในรูปภพพวกนี้จะเสบรูปฌานเป็นเป็นเครื่องมือหาความสุข อีกพวกหนึ่งก็จะเสพความสงบที่ลึกกว่ารูปฌานเรียกว่าอารูปฌานถ้าเสพอรูปฌานได้ก็จะไปเกิดในอรูปภพเรียกว่าเป็นพรมอรูปประพมถ้าเกิดในรูปภพก็เป็นรูปรูปประผมถ้าเกิดในกามภพก็เป็นเทวดาเป็นเทพเป็นมนุษย์ถ้าทำบาปก็เป็นเดรัจฉานเป็นเปรด เป็นนสุลกายเป็นนรกไม่ว่าจะไปเป็นอะไรไปอยู่ที่ชั้นไหนบุญที่ส่งไปเหตุที่พาไปก็จะต้องมีวันหมดพอหมดเหตุที่พาให้ไปเกิดในพมลโลกเกิดในเทวโลกหรือเกิดในอบายพอเหตุที่พาให้ไปเกิดมันหมดกำลังลงดวงวิญญาณก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ แล้วก็กลับมาทําตามนิสัยเดิมใครเสพกามก็กลับมาเสพกามใครเสกประบายยมุกก็กลับมาเสกปบายยมุกใครรักษาศีล น, นั่งสมาธิเข้าฌานก็จะกลับมาเข้าซึมารักษาศีลมานั่งสมาธิเข้าฌานแต่นิสัยเหล่านี้สามารถเปลี่ยนได้ถ้ามี ความเห็นที่บอกว่ า, าเช่นการเสบบบายามุขนี้ไม่ดีอาจจะมีความเห็นเกิดขึ้นเองด้วยความคิดอย่างรอบครอบหรืออาจจะไปเจอคนฉลาดเช่นเจอพระพุทธศาสนาเจอคำสั่งคาสอนของคนฉลาดของพระพุทธเจ้าหรือของพระสาวกทั้งหลายท่านก็จะบอกว่าอะไรดีไม่ดี ถ้าเรามีนิสัยทำในสิ่งที่ท่านว่าไม่ดีถ้าเราไม่อยากที่จะต้องกลับไปรับผลที่ไม่ดีที่เกิดจากการกระทําที่ไม่ดีเราก็มาบังคับใจเราได้เวลาจะเสพบา ย, ยามุข ก, ก็ห้ามอย่าไปเสพทนเอาเวลาหงุดหงิดก็หาวิธีอื่นมาเช่นพระพุทธเจ้าบอกว่า ถ้าไม่มีความสุขก็ไปทำบุญดีกว่า ด, ดีกว่าไปหาความสุขจากการเสพอบายามุกเสพอบายามุกแล้วเดี๋ยวจะต้องเกิดปัญหาตามมาจ ะ, จะต้องไปทำบาปเวลาไม่ได้เสพอบายามุกอาจจะรู้สึกหมดกิจํำคาญใจก็ลองไปทำบุญแทนลองไปเป็นอาสาสมัครก็ได้ทำงานเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ไปทำงานกับมูลนิธิต่ตางๆค่าเวลาดีกว่าอยู่เฉยๆแล้วก็สู้กับความอยากไปเสพอบายามุขถ้าอยู่เฉยๆเดี๋ยวสู้มันไม่ได้แต่ถ้าเราเอาเวลาไปทำกิจการที่มีประโยชน์ต่อจิตใจทำให้จิตใจของเรามีความเพลิดเพลินมีความสุขความอยากที่จะเสพอบายามุขมันก็จะลดน้อยถอยลงไป ต่อไปเราก็เลิกเสพประบายยมุกได้แล้วเราก็จะไม่มีอะไรมากดดันให้เราไปทำบาปกันนี่คือวิธีการสำหรับผู้ที่มีนิสัยที่ไม่ดีเช่นมีนิสัยชอบเสพประบายยมกุกชอบทำบาปสามารถเปลี่ยนได้แต่ต้องรู้ว่าการกระทำเหล่านี้เป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจของตนถ้าไม่อยากที่จะ ให้พิษภัยเหล่านี้เข้ามาสร้างความทุกข์สร้างความเสียหายให้กับจิตใจก็ต้องเปลี่ยนพุติกรรมเปลี่ยนวิธีการหาความสุขจากการไปหาความสุขจากการเสพประบายามุขก็ไปหาความสุขจากการทําบุญทําประโยชน์ทําทานถ้ามีเงินก็ทําบุญทําทานดีกว่าเอาเงินไปเล่นการพนันไปเที่ยวหรือไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆ เพราะมันเที่ยวแล้วจะติดซื้อของฟุ่มเฟือยแล้วจะติดแล้วอยากจะซื้ออยู่เรื่อยๆซื้อมาได้มากได้น้อยมันก็ไม่อิ่มไม่พออยากจะซื้ออยู่เรื่อยๆเวลาไม่ได้ซื้อก็จะเกิดความหูดเหยียดลำคาญใจไม่มีความสุขแต่ถ้าเอาเงินที่จะใช้กับสิ่งเหล่านี้ไปทำบุญทำทานไปช่วยเหลือผู้อื่นที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อน พอได้ทำแล้วใจจะมีความอิ่มมีความสุขแล้วจะทำให้ไม่หิวกับการที่จะไปใช้เงินทองแบบฟุ่มเฟือยใช้เงินทองกับการเที่ยวเตะหรือใช้เงินทองกับอบายามุขต่างๆได้ก็จะหลุดพ้นจากการที่ไปเสพอ บ, บายามุขได้หลุดพ้นจากการที่จะต้องไปทำบาปได้แล้วก็เปลี่ยนวัตจักรได้ ท่านเรียกว่าทวนกระแสย้อนกระแสของจิตใจของพวกเราจิตใจของพวกเรามีกระแสคือนิสัยสันดานเราเคยชอบทำอะไรเรามักจะไปทาอย่างที่เราเคยชอบทำมาแต่ถ้าเรามาเรียนรู้จากผู้รู้อย่างพระพุทธเจ้าพระธรรมหรือพระสงฆ์ว่าการกระทำแบบนี้มันเป็นโทษเป็นพิษภัยกับจิตใจทั้งระยะสั้นและระยะยาว ระยะสั้นก็คือทำให้ชีวิตเราวุ่นวายไม่มีความสุขมีเรื่องมีปัญหาเพราะเงินทองจะไม่พอใช้แล้วก็จะทำให้เราต้องไปแก้ปัญหาโดวยวิธีที่สร้างปัญหาเพิ่มขึ้นคือไปทำบาปไปช่อโกงไปหลอกลวงระยะยาวก็คือจิตใจของเราจะติดอยู่การเวียนว่ายตายเกิดในอบาย ตายไปก็ไปเกิดในอบายกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มาทำบาปมาเสพอบายามุกใหม่ตายไปก็ไปอบายใหม่เราสามารถตัดวงจรอุบาทนี้ได้ด้วยการฝืนการกระทำความอยากตามความอยากของเราแล้วก็มาทำตามวิธีที่พระเจ้าทรงสอนให้ทำเปลี่ยนการไปหาความสุขจากการเสพอบายามุกมา เป็นการหาความสุขจากการทำบุญทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นทำให้กับสังคมพอเราเปลี่ยนได้การทำบุญนีะไม่มีไม่มีพิษมีภัยตามมีแต่ความสุขมีแต่ความเย็นให้กับจิตใจเวลาไม่มีโอกาสได้ทำก็จะไม่รู้สึกหงุดหงิดลำคาญใจอยู่เฉยๆได้อยู่บ้านได้ เวลาได้ทำบุญก็มีชีวิตชีวาแต่เวลาไม่ได้ทำบุญก็อยู่บ้านได้ไม่เดือดร้อนเราสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่ดีของเราได้แต่เราต้องมีเทรนเนอร์มีผู้ที่มาคอยสอนคอยบอกเราว่าจะทำอย่างไรนี่คือวิธีแก้ปัญหาจากการที่จะต้องไปเกิดในอบายจากการที่มีนิจัยที่จะต้องเสกอบายามุก เืนมันได้เลิกมันได้ด้วยด้วยการหาความสุขจากการทำบุญทำประโยชน์กับผู้อื่นเสียสละแบ่งปันทำทานบริจาคอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นวิธีที่จะสร้างความสุขให้กับจิตใจของเราที่ดีกว่าและปราศจากโทษที่จะตามมาแล้วถ้าเราไม่อยากที่จะกลับมาเวียนว่ายตายเกิด ในตายพบอีกต่อไปเราก็ต้องไปศึกษาวิธีตัดกิเลสตัณหาตัดความโลภความโกรธความหลงตัดความอยากต่างๆที่พาให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดในตายพบนี้ให้หมดไปวิธีที่จะตัดวิธีที่จะกระัดธรรมลากิเลสตัณหาโมหะอวิชชาให้หมดไปจากใจก็ต้องเกิดจากการไป ปีกวิเวกการไปถือศีลแปดขึ้นไปศีลแปดก็ได้ศีลสิบก็ได้ศีลสองร้อยยิบเจ็ดก็ได้เป็นเป็นมาตรการที่จะพาให้เราได้เข้าสู่ขบวนการของการซักฟอกจิตใจชำระจิตใจชำระความโลภความโกรธความหลงชำระความอยากต่างๆที่พาให้เราต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดกันนี้ ให้มันหมดสิ้นไปจากใจแล้วพอมันหมดแล้วก็จะไม่มีอะไรที่จะมาเดินจิตใจให้กลับมาเกิดแก่เจ็บตายกันอีกต่อไปต้องไปตัดกรรมมามะตัญหาความอยากเสพกามสำหรับผู้ที่ชอบเสพกามก็ต้องตัดกรรมมามะตัญหาสำหรับผู้ที่ชอบเสพรูปประชานก็ต้องไปตัดภาวะตัญหาสำหรับผู้ที่ชอบเสพ รูปประชาญก็ต้องไปตัดวิภาวะตัณหาคือความชอบเสพเสพรูปประชานี้เราเรียกว่าภาวะตัณหาความชอบเสพอารูปประชานี้เรียกว่าวิภาวะตัณหาต้องหยุดเสพสิ่งเหล่านี้ถึงจะสามารถที่จะตัดการกลับมาเกิดในใต้ภพได้แต่เราต้องตัดเป็นขั้นขั้นไปเบื้องต้นเรา ต้องตัดการการ ม, มาตัญหาก่อนด้วยการอาศัยรูปประชานหรืออารูปประชานเป็นเครื่องมือคือเราต้องเปลี่ยนวิธีหาความสุขจากการหาความสุขจากการ ม, มาตัญหาจากรูปเสียงกลิ่นรสมาเป็นการหาความสุขจากการทำใจให้สงบด้วยการเข้ารูปประชานหรืออารูปประชาน ถ้าเราไม่มีความสุขทดแทนเราจะไม่สามารถตัดวิธีหาความสุขแบบเดิมได้เพราะจิตใจของเรานี้ต้องอยู่กับความสุขเวลาไม่มีความสุขมันจะรู้สึกทรมานใจถ้าอยู่ดีๆบอกว่าต่อไปนี้เลิกเสพกามไม่ให้เสพรูปเสียงกลิ่นลดให้ถือสินแปด มันก็จะถือได้ไม่นานเดี๋ยวมันก็ทนไม่ไหวญาติโยมที่มาอยู่วัดถือศีลแปดกันแต่ไม่มีไม่ได้ฉานไม่ได้สมาธิก็จะอยู่ไปไม่รอดอยู่ไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวความหิวความอยากเสพการมันทวีคูณขึ้นเรื่อยๆ เ, เดี๋ยวในที่สุดก็ต้องลาศีลไปกลับบ้านกลับไปถือศีลห้ากลับไปอยู่กับแฟนอยู่กับครอบครัวกลับไปอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรส แต่สำหรับพวกที่มาถือศีลแปดแล้วสามารถฝึกสมาธิเข้ารูปประชานได้หรือเข้าวารูปประชานได้ก็จะมีความสุขแบบใหม่มาทดแทนความสุขแบบเก่าก็จะทำให้อยู่ต่อไปได้อยู่เป็นนักบวชแบบถาวรได้เพราะว่าไม่ต้องกลับไปเสพกามไม่ต้องไปกลับไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลถภเพราะเวลาต้องการมีความสุข ก็สามารถเข้าไปในสมาธิขั้นต่างๆได้ขั้นรูปประชานหรือขั้นอรูปประชานได้พอเข้าไปแล้วก็จะมีความสุขแต่ความสุขของสมาธิไม่ว่าจะเป็นรูปประชานหรืออรูปประชานก็ยังเป็นความสุขที่ไม่จีรังถาวรเป็นความสุขชั่วคราวเรียกว่าอนิจัง พอมันอะไรเป็นอนิจจังแล้วเดี๋ยวมันจะต้องมีทุกข์ขังตามมาเวลาเวลามีความสุขจากความสงบพอออกจากความสงบมาความสุขนั้นก็หายไปพอหายไปความไม่สบายใจก็ตามมาเกิดขึ้นมาได้ถ้ายังเสบรูปประชานหรืออรูปประชานอยู่ก็ยังจะต้องติดกลับมาเสบรูปรรประชานอรูปประชานอยู่เรื่อยๆ เช่นเวลาเข้าฌานมีความสุขก็เหมือนกับคนไปเที่ยวทางการไปเที่ยวตามสถานที่ไปดูไปฟังอะไรก็มีความสุขแต่พอกลับมาบ้านความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวก็หายไปเดี๋ยวก็ต้องกลับไปเที่ยวใหม่เช่นเดียวกับคนที่ได้ความสุขจากสมาธิก็เหมือนกันเวลาเข้าสมาธิก็เกิดความสุข แต่พอออกจากสมาธิมาความสุขนั้นก็ จ, จางหายไปก็ต้องกลับเข้าไปในสมาธิใหม่ก็ยังต้องกลับมาเกิดในรูปภพหรืออารูปภพใหม่อยู่ถ้าไม่อยากจะกลับมาหลังจากที่เราละกามกา ม, มาตัญหาได้แล้วเราก็ต้องมาละภาวะตัญหาหรือวิภาวะตัญหา ถ้าเราติดในชานเราก็ต้องเลิกไม่ต้องเสพตัดความอยากเสพมันไปให้อยู่แบบเฉยๆไม่ต้องเสพอะไรก็ได้ถ้าเรามีปัญญาเราสามารถสอนใจว่าการเสพชาถึงแม้ว่าจะเป็นความสุขมันก็ยังเป็นความสุขแบบชั่วคราวความสุขที่จะทำให้เราต้องเกิดความทุกข์เวลาที่เราไม่ได้เสพ แต่ถ้าเราไม่เสพการามเราไม่เสพรูปฌานหรืออารูปฌานเราอยู่เฉยๆได้ทำใจให้เฉยๆเป็นโอเบกขาไม่ต้องเข้าสมาธิก็ได้เพียงแต่ใช้ปัญญาคอยสกัดความอยากความอยากจะเข้าฌานอยากจะเข้าวอารูปฌานเพราะเราไม่ต้องการจะติดในรูปภพหรืออารูปภพเราก็ต้องหยุดความอยากหล่งนี้ด้วยปัญญา ด้วยการพิจารณาให้เห็นว่ามันเป็นใจลักอันนี้เป็นขั้นสูงขั้นของผู้ปฏิบัติขั้นที่ที่ท่านเรียกว่าขั้นดูจิตนะขั้นดูกายดูเวทนานี้เป็นขั้นกลามขั้นกลามาพบส่วนการดูจิตนี้อยู่ในขั้นของอรูปภพหรืออรูปภพต้องตัดไปเป็นขั้นขั้นไปตัดกาม กามาตัณหาก่อนแล้วก็ไปตัดภาวะตัณหาตัดวิภาวะตัณหาตัดความอยากเสพรูปประชานตัดความอยากจะเสพอารูปประชานถ้าเรามีสติมีปัญญาเราสามารถประครับประคองจิตให้อยู่เฉยๆได้ไม่ให้ทุกข์กับความอยากได้เมื่อไม่ต้องทุกข์กับความอยากก็ไม่ต้องเข้าฌานไม่ต้องหนีเข้าไปในฌานอยู่ตามปกติอยู่ตามปกติของจิตไม่ต้อง ไปพึ่งรูปประชานหรืออารมูปชานพอไม่พึ่งแล้วต่อไปความอยากที่จะเสพรูปประชานหรืออรูปประชานมันก็หมดไปความอยากที่พาให้จิตใจมันต้องมาเกิดในตายพบก็จะถูกทําลายหมดกามตัณหาก็ถูกทําลายภาวะตัณหาก็ถูกทําลายวิภาวะตัณหาก็ถูกทําลายพอถูกทําลายไปหมดแล้ว ทีนี้เจ็ดก็จะว่างเจ็ดก็จะเป็นนิพพานขึ้นมานิบานังปามังสนยังนิบานังปรมังสุ ข, ขังว่างจากตายภพว่างจากการเวียนว่ายตายเกิดในตายภพว่างจากเหตุที่พาให้มาเวียนว่ายตายเกิดคือกามตัญหาภาวะตัญหาและวิภวะตัญหาใจก็จะเป็นใจที่สะอาดบริสุทธ ที่เรียกว่านิพพานเมื่อนิพพานแล้วใจก็มีความอิ่มมีความพอไม่มีความอยากที่จะกลับมาเกิดในตายพบอีกต่อไปก็ไม่มีการกลับมาเกิดไม่มีเมื่อไม่มีการมาเกิดก็ไม่มีการแก่การเจ็บการตายอีกต่อไปศา ส, สนาพูดก็มอบประโยชน์อันที่สองและที่สามให้กับเรา คือเราจะไม่ต้องกลับมาตายกันอยู่เรื่อยๆแล้วเราก็จะได้ซ้อนสุขที่ถาวรที่อยู่กับใจของเราตลอดต่างกับความสุขที่พวกเรามีกันอยู่ขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นความสุขระดับไหนก็ตามเป็นความสุขชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวก็หายไปหมดไปเที่ยวกลับมาเดี๋ยวก็หายไปหมดไปซื้อของที่อยากได้มาเดี๋ยวก็หายไปหมด ไปกินไปดื่มอะไรที่อยากกินอยากดื่มความสุขที่ได้มาเดี๋ยวมันก็หมดไปก็ต้องกลับไปทำใหม่อยู่เลยทำกันอยู่เรื่อยๆเรยพราะเวลาไม่ได้ทำก็จะเกิดความกงุดหิดขึ้นมาเกิดความลาคานใจขึ้นมาไม่มีความสุขเกิดความเจืดชื่นขึ้นมาในใจก็ต้องไปทำอยู่เรื่อยๆตายไปก็ต้องกลับมาเกิดใหม่เพื่อมาทาต่อใหม่เพราะความสุขแบบนี้ ไม่สามารถทำให้จิตใจอิ่มหรือพ่อได้ไม่ว่าจะเป็นความสุขที่เกิดจากกามรทันหาหรือภาวะตันหาหรือวิภาวะตันหาล้วนเป็นความสุขชั่วคราวไม่จีหลังถาวรจะต้องมีวันสิ้นสุดลงพอหมดแล้วก็ต้องกลับมาเติมใหม่ต้องกลับมาเกิดใหม่แต่ความสุขของพระนิพพานนี้ไม่เป็นอย่างนั้น ความสุขของมรรคพนิพพานนี้จะอยู่กับใจไปตลอดจะไม่มีวันลดจะเต็มร้อยอยู่ตลอดเวลาใจของพระพุทธเจ้ากับพระหลานตสากเนี่พอได้ถึงนิพพานแล้วเป็นมาลมมาสุขมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยใจของพระพุทธเจ้าตอนนี้ก็ยังอยู่เพียงแต่ว่าท่านไม่มีร่างกายมาติดต่อกับพวกเราเท่านั้นเองแต่ใจของพระพุทธเจ้าตั้งแต่วันเพ็ญเดือนหก วันที่ได้ทำลายตัณหาทั้งสามให้หมดสิ้นไปจากใจแล้วใจของพระพุทธเจ้าก็เต็มเปี่ยนไปด้วยบรมมสุขตั้งแต่บัดนั้นแม้ว่าร่างกายของพระพุทธเจ้าจะมีหรือไม่มีก็ไม่ได้มาทำให้ความสุขในใจนั้นหายไปหมดไปหรือน้อยลงไปร่างกายจะแก่จะเจ็บ ก็ไม่ได้ไปทำให้ความสุขในใจของพระพุทธเจ้านั้นลดน้อยถอยลงไปแต่อย่างใดยังมีอยู่เต็มร้อยอยู่ตลอดเวลามีมาอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ถ้าเราสามารถติดต่อหรือเข้าไปถึงจิตใจของพระพุทธเจ้าได้เราก็จะเห็นว่ายังเป็นบรมีสุขอยู่นั่นเป็นบารมังสักข์ขังอยู่อย่างนั้นนี่คือธรรมชาติของใจที่ได้รับการชาระ จากการมาบำเพ็ญจิตตภาวนาถ้าไม่บำเพ็ญจิตตภาวนาต่อให้เชื่ออย่างไรก็ตามต่อใหอ้รู้วิธีก็ตามแต่ถ้าไม่บำเพ็ญไม่ปฏิบัติกิเลสตัณหามันจะไม่หลุดออกจากใจไปได้กิเลสตัณหานี่มันเป็นเหมือนเชื้อโรคที่มาททำให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยวิธีที่จะทำให้เชื้อโรคมันตายก็ต้องกินยาเท่านั้น หายามากินถ้ามียาแล้วกินเข้าไปแล้วเดี๋ยวเชื้อโรค ก, ก็จะถูกยากำจัดไปถ้ามียาแต่ไม่กินยาก็ไม่เกิดประโยชน์ไปเจอหมอหมอบอกว่าคุณเป็ น, นโรคชนิดนี้ต้องกินยาชนิดนี้ถึงจะหายรับยามาแล้วก็ขี้เกียจกินก ถ้าไม่กินยายาก็ไม่สามารถเข้าไปทำหน้าที่กำจัดเชื้อโรคที่ทำให้ร่างกายไม่สบายได้ฉะนั้นในธรรมะคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นเหมือนยาที่จะมาชำร ะ, ะเชื้อโรคของใจคือกิเลสตัณหาโมหะอาวิชชาให้หมดสิ้นไปจากใจพอเรารับยาจากพระพุทธพระธรรมหรือพระสงค์แล้ว ถ้าเราไม่นำเอาไปปฏิบัติก็เหมือนกับเราไม่ได้เอายาไปรับประทานรับยามาแต่ไม่อยากจะรับประทานยังขอผัดป้อนขอผัดไว้ก่อนตอนนี้ยังไม่ว่างยังต้องทําภารกิจนั้นภารกิจนี้อยู่เออถ้าไม่ไม่ทําก็ไม่ว่าอะไรก็ยังไม่ได้รับการรักษาเท่านั้นเองะ บางคนที่เป็นโรคภัยทางร่างกายแต่ยังพอทํางานได้อยู่บางทีก็ขอผัดเวลาไว้ก่อนหมอบอกให้ควรจะมาผ่าเอาไอ้เนื้อนี้ออกไปแต่ก็บอกตอนนี้ยังไม่ว่างไม่ว่างหมอเขาก็ไม่ว่าอะไรก็อยากจะไปทําภารกิจอย่างอื่นก็ทําไปแต่เดี๋ยวเวลามันกําเริบขึ้นมาแล้วเดี๋ยวก็จะทนไม่ไหวนะแล้วมาทําตอนนั้นอาจจะสายเกินไปก็ได้ มอจะช่วยไม่ได้แล้วก็ได้ตอนนี้ก็เหมือนกันพวกเราอาจจะคิดว่าเรายังมีภาระต่างๆอยู่มีเรื่องราวที่เราจะต้องไปทำกันอยู่เรายังไม่สามารถที่จะไปเปกวิเวกไปถือศีลไปฝึกสติไปนั่งสมาธิไปเจริญปัญญาได้ขอผัดไว้ก่อนไว้รอเวลา ใกล้ตายก่อนเวลาแก่ก่อนไว้รอเวลาจิตสุดท้ายแล้วค่อยมาทำก่อนเพอถึงเวลานั้นมันจะทำไม่ได้นะเพราะว่าการจะทำนี้มันจะต้องอใช้ความพยายามมากใช้เวลามากไม่ใช่อยู่ดีๆจะสั่งให้ความอยากหายไปมันไม่ใช่เป็นของง่ายแต่สำหรับบางคนก็จะทำได้มี มีมีตัวอย่างบางกรณีเช่นพ่อของพระพุทธเจ้านี่พระพุทธเจ้าก็ไปสอนแล้วก็ปฏิบัติในช่วงเจ็ดวันก่อนตายบรรลุ ถ, ถึงนิพพานได้เจ็ดวันก่อนตายแต่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าท่านอาจจะปฏิบัติมาล่วงหน้าก่อนแล้วก็ได้มาจนถึงเพียงขั้นถึงขั้นสุดท้ายที่ยังไปไม่ถึงพระพุทธเจ้าก็เลยมาสอนในช่วงขั้นสุดท้ายก็ได้ แต่ละเอียดนี้เราไม่ไม่รู้กันแต่การปฏิบัตินี้อย่างน้อยตามพระสูตรที่พระเจ้าทรงสแสดงว่าอย่างน้อยก็ต้องเจ็ดวันขึ้นไปนะไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็ต้องเจ็ดปีถึงจะสามารถที่จะชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์กําจัดความโลภความโกรธความหลงความอยากโมหะอวิชชาตันหา ให้มันออกไปจากใจได้เหมือนยาที่หมอให้มารับประทานไม่ใช่กินเม็ดสองเม็ดแล้วก็จะหายบางทีต้องกินสิบวันยี่สิบวันกินไปทุกวันวันละสามสี่เวลายามันจะได้มีเวลาออกฤทธิ์ทำลายกิเลสตัณหาการปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันกว่าจะได้แต่ละขั้นมันก็ต้องใช้เวลาเนี่ยถ้ายังไม่เคยรักษาศีลแนี่ จะเริ่มรักษาทันทีจะได้สักกี่วันถ้าไม่เคยฝึกสติคอยควบคุมจิตใจไม่ให้คิดปรุงแต่งไม่ให้พุทโธให้พุทโธพุทโธไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้จะพุทโธได้สักกี่วินาทีอย่าว่าแต่นาทีเลยกี่วินาทีอยู่กับพุทโธได้เดี๋ยวก็เผลอแวไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ถ้าหยุดความคิดไม่ได้นั่งสมาธิยังไงก็ไม่มีวันที่จะสงบได้ พอได้สติแล้วถึงจะได้สมาธิพอได้สมาธิแล้วถึงจะไปขั้นปัญญาต่อไปได้ไปสอนใจให้พิจ า, ารณาไตหลักได้พิจารณาร่างกายว่าไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายพิจารณาว่าเป็นดินน้ำลมไฟไม่มีตัวตนพิจารณาว่าร่างกายไม่สวยไม่งามเป็นซากศพเดินได้ พอไม่มีลมหายใจก็ไม่มีไขเข้าแย่แสจับส่งเข้าวัดเข้าป่าชาติกันไปหมดต้องพิจารณาสิ่งเหล่า น, นี้จนกระทั่งมันไม่หลงไม่ลืมิมไม่ใช่พิจารณาแค่ครั้งสองครั้งลรวบอกรู้แล้วเข้าใจแล้วแต่เพราะกิเลสโผล่ขึ้นมาหยุดมันไม่ได้ หยุดความกลัวกลัวความแก่ไม่ได้กลัวความเจ็บไม่ได้กลัวความตายไม่ได้เห็นใครหน้าตาสวยงามก็อดที่อยากจะได้ก็มาเป็นแฟนไม่ได้อย่างนี้เพราะมันยาที่ใช้รักษามันมีกําลังน้อยอาสุภะไม่มาเวลาเห็นอะไรสวยงามแล้วมองไม่เห็นอสุภะเลยเวลามองร่างกายก็กลัวพอเห็นความแก่ก็กลัวเห็นความเจ็บก็กลัวเห็นความตายก็กลัว นี่แสดงว่าไม่มียาไม่มีปัญญาอยู่ในใจเลยถ้ามีแล้วใจจะไม่กลัวใจจะนิ่งจะเฉยจะไม่ถูกสิ่งต่างๆมากระตุ้นให้เกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาได้อันนี้ต้องอาศัยการฝึกซ้อมต้องปฏิบัติอย่างต่อเ น, นื่องตั้งแต่ลืมตาจนถึง ถึงเวลานอนเลยไม่เจริญสติก็ต้องเจริญสมาธิไม่เจริญสมาธิก็ต้องเจริญปัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นอยู่กับว่ากำลังอยู่ในขั้นไหนถ้าอยู่ในขั้นสติก็ต้องหมั่นเจริญสติไปก่อนถ้าอยู่ในขั้นสมาธิก็ให้นั่งสมาธิให้บ่อยให้เข้าสมาธิให้มากถ้าอยู่ในขั้นปัญญาก็ต้องหมั่นพิจารณาอนิจจงทุกขังอนัตตาในกายเวทนาจิตอยู่เรื่อย ถึงจะสามารถที่จะกำจัดกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาที่ฝังอยู่ในใจิตในใจนี้ให้มันหายไปให้มันหมดไปเหมือนกับเชื้อโรคที่ต้องอาศัยยาที่มีการรับประทานอย่างต่อเนื่องรับประทานไปจนกว่าเชื้อโรคจะถูกยากำจัดไปหมดถึงจะหยุดการรับประทานยาได้ การปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญาก็ต้องปฏิบัติไปอย่างต่อเนื่องไปจนกว่ากิเลสตันหามหร า, าวิชาที่มีอยู่ในจิตในใจนี้หายไปหมดจากใจไม่มีอะไรมาสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจสร้างความหิวให้กับใจต่อไปใจมีแต่ความสงบมีแต่ความสุขตลอดเวลาท่านั้นน่ะถึงจะเลิกปฏิบัติได้ ท่านเรียกว่าวุตสิตังบรมจารรืยงังกิจในพรหมจารย์ได้ถึงที่สิ้นสุดลงแล้วกิจอื่นที่เหนือกว่า น, นี้ไม่มีที่จะต้องทำอีกต่อไปผู้ที่ถึงนิพพานด้วนี้ไม่ต้องทำอะไรอีกต่อไปทำอะไรก็ไม่สามารถทำให้จิตใจมีความสุขมากไปกว่าความสุขของพระนิพพานได้เหมือนน้ำที่เต็มแก้วแล้ว จบก็ไปมากน้อยเท่าไหร่มันก็ล้นออกมาหมดมันจะไม่มีมากไปกว่านั้นแต่บางทีท่านก็ทำทำแต่ไม่ได้ทำเพื่อเพื่อตนเองทำเพื่อผู้อื่นเช่นพระพุทธเจ้าหลังจากที่บรรลุถึงรานิพานแล้วมีความสุขเต็มเปี่ยมในหัวใจแล้วก็ยังมาทำประโยชน์ให้กับโลกต่อไปมาแสดงทำมันละสีห้ารอบสอนให้คนได้บรรลุเป็นพาาระอรหันต์เป็นจานวนมาก แต่ท่านไม่ได้มีความสุขเพิ่มจากการทําหน้าที่สั่งสอนธรรมะให้แก่ผู้อื่นแต่ท่านทําด้วยความเมตตาสงสารเพราะเห็นว่าถ้าไม่สอนก็ไม่มีวันไม่มีใครไม่มีวันที่จะรู้ได้ด้วยตนเองไม่มีวันที่จะหลุดพ้นไม่มีวันที่จะเข้าถึงพระนิพพานที่เป็นความสุขอันประเสริฐนี้ได้พระองค์ก็เลยอุทิศเวลาส่วนที่เหลือของชีวิตของร่างกายนี้ให้กับการ เผยแผ่ธรรมะสั่งสอนให้พวกที่ศึกษาปฏิบัติได้บรรลุเป็นพระอรหันตสาวกกันแต่ไม่ได้ทําเพื่อประโยชน์ของตนเองเพราะว่าความสุขด้วยประโยชน์ของตนเองนี้มันเต็มที่เต็มร้อยแล้วทําไปเท่าไหร่ก็ไม่ได้มากไปไม่ได้เพิ่มไปมากไปกว่า น, นั้นอนี่คือเรื่องราวของพระพุทธศาสนาที่พวกเราชาวพุทธ จะได้ประโยชน์ถ้าเรามีศรัทธาความเชื่อถ้าเราศึกษาแล้วปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็จะได้รับประโยชน์ทั้งสามประการนี้คือเราจะได้คุ้มครองจากภัยที่จะมาคุกคามจิตใ จ, จคือเดรัจฉานเปรตอสูรร่ากายและนรกจะไม่เข้ามาคุกคามจิตใ จ, จของพวกเราถ้าเราไม่ทำบาปไม่เสพใบยมคุณ ถ้าเราปฏิบัติทมชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาได้จิตใจของเราก็ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในตายพบอีกต่อไปการตายของเราก็จะหมดลงไปไม่มีการกลับมาตายอีกต่อไปแล้วเราก็จะได้พระนิพพานที่เป็นความสุขที่ถาวร ที่เป็นความสุขที่ไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดไม่ต้องเติมเหมือนความสุขอย่างที่พวกเรามีกันอยู่ในขณะนี้ต้องคอยเติมกันอยู่เรื่อยๆอนนี้คือเรื่องราวของพระพุทธศาสนาที่นำเอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสากหลังเอวเมวะอิโตทินนางเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปะชิตังต um ุมหังคิปเมวะสัมิชัตโสัเพปุเรนโตสังกปา จันโทปันาราโสยธามณีโชติอราโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันโตสัพพโรโววินัสตต มาเตภวัตะวันตรายุสุขีทีขาโยโกผวัอภิวาทนนีลิฤทสนิจังวุฒาปจายโนยตตารุธรรมาวทานติอายุวันโนสุขังภาลั ช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามคำถามว่างเลยก็ <c oughs> อ, อยากจะถามคำถามเชิญถามได้ในช่วงนี้ช่วงเดียวหลังจากเลิกแล้วเดี๋ยวจะไม่สะดวกที่จะตอบคำถามเพราะมีงานอย่างอื่นต้องทำต่อถ้าอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้วันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่วันนี้ทานเฟซบุ๊กห้าร้อยเจ็ดสิบห้า y o u t u สามร7อยสิบเจ็ดวิทยุออนไลน์ยี่สิบรับฟังข้างบนนี้เจ็ดสิบอ็ดคนรวมทั้งหมดเก้าร้อยแปดสิบสามครับโอเคเดี๋ยวส่งไมโครโฟนไปให้คุณผู้ชายนี่หนึ่งพูดผ่านทางไมโครโฟนนะเจนรัลโอลฮผ ม, มอยากสอบถามว่าเกี่ยวกับ ก, การสติสีน ส, สมาธิปัญญาเนี่ยจากสมาธิเนี่ยเข้าปัญญาเนี่ยทำยังไงครับ ปัญญาก็ให้สอนตนเองเหมือนเรียนหนังสือนี่ไม่รู้เรื่องอะไรก็ต้องเรียนให้รู้เรื่องไม่รู้เรื่องอเมริกาก็ต้องไปเรียนภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์ของอเมริกาอยากจะรู้เรื่องของร่างกายเราก็ต้องเรียนเรื่องไตรลักร่างกายของเรามันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆ เ, เกิดมาแล้วมันก็เปลี่ยนไปจากเด็กเป็นผู้ใหญ่จากผู้ใหญ่เป็น คนแก่เป็นคนเจ็บเป็นคนตายในที่สุดพ อ, อตายมันก็ย่อยสลายกลับไปเป็นดินน้ำล่มไฟไม่มีตัวเราตัวผู้รู้ผู้คิดนี้ไม่ได้อยู่ในตัวร่างกายแล้ จากสมาธิเข้าไปเป็นปัญญานี่ทำยังไงฮะเ อ, อ๋อทำคนละเวลาทําสมาธิไม่ไม่ยุ่งกับปัญญาไม่คิดไม่เกี่ยวกันใช่ไหมฮะไม่เกี่ยวกันสมาธิเหมือนพักผ่อนหลับนอนพักผ่อนหลับนอนพอตื่นขึ้นมาแล้วค่อยไปทํางานออกจากสมาธิแล้วค่อยไปทําปัญญาไปสอนใจอยู่เรลยๆ ว, ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราเป็นดินน้ําลมไฟเดี๋ยวก็ต้องตายต้องปล่อยวางอย่าไปยึดไปถือว่าเป็นตัวเราอย่าไปอยากให้มันไม่ตาย เพราะมันจะทำให้เราเทารมานใจเวลามันจะตายถ้าเราปล่อยวางได้ปล่อยให้มันตายได้เราก็จะไม่เดือดร้อนเวลามันตายครับที่ต้องคอยสอนอยู่เรื่อยๆมันมักจะลืมมันมักจะไปอยากไม่ให้มันตาย <laughs> ต้องสอนว่าอยากยังไงก็หยุดมันไม่ได้ความตายของทุกคนถ้าอยากเราทุกข์ถ้าไม่อยากเราจะไม่ทุกข์ ต้องสอนไปต้องพิสูจน์ดูว่าทุกยังทุกอยู่กับความตายหรือเปล่า้ายังคิดถึงความตายแล้วยังทุกอยู่ก็ต้องสอนต่อไปส อ, อสอนไปเรื่อยๆว่าอย่าไปอยากให้มันตายไม่อยากอย่าไปอยากให้มันไม่ตายมันต้องตายห้ามมันไม่ได้ <c oughs> อยากเลาทุกถ้าไม่อยากเราจะไม่ทุกถ้ามีสมาธิก็จะห้ามใจได้ ถ้าห้ามไม่ได้ก็สแสดงว่าสมาธิไม่พอก็กลับไปนั่งสมาธิต่อครับทําทใจให้เฉยๆให้ได้แล้วก็ถ้าเฉยแล้วก็ปล่อยได้นเสลับทําสมาธิกับปัญญาเอามาสอนปัญญาได้ปัญญาสอนแล้วยังทุกข์อยู่ก็กลับไปนั่งสมาธิใหม่ครับแล้วก็ออกมาใหม่ก็สอนใหม่ สอนไปจนกว่ามันจะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายมันก็ผ่านแล้วละเรื่องของร่างกายไปได้เป็นเรื่องของร่างกายอเรื่องของร่างกายเราผ่านไปได้แต่ร่างกายของคนอื่นยังไม่ผ่านยังไปหลงรักเขาอยู่ก็ต้องไปมองร่างกายของเขาว่าไม่สวยไม่งามมีอาการสามสิบสองสวยภายนอกพอมองก็ไปใต้ผิวหนังแล้วก็ไม่มีอะไรน่าดู ดูจนกระทั่งมันเห็นชัดหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นต่อไปเห็นใครว่าสวยว่าหล่อก็จะเห็นว่าเหมือนกันทั้งนั้นข้างในเหมือนกันหมดทุกคนครับผมแล้วก็จะปล่อยวางร่างกายทั้งของเราและของคนอื่นได้ไม่ไปหลงรักร่างกายอีกต่อไปแล้วก็ไปพิจารณาปัญหาที่ยังเหลืออยู่ในจิตใจต่อไป จิตใจ ย, ยังคิดว่าเป็นตัวเราของเราอยู่ก็ต้องพิจารณาให้เห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นเพียงความคิดเป็นคอนเซปต์เท่านั้นเองเราคิดขึ้นมาแล้วก็เชื่อคอนเซปตนั้นที่ว่าเป็นเราเราก็เป็นมีเราขึ้นมาอจากสมาที่นี่ผมยังไม่เข้าใจ ว, ว่าจะเข้าปัญญาอย่างไรนี่ก็ตอนนี้ก็ปัญญาตรเนี้ตอนนี้ก็เข้าปัญญาอยู่ตอนนี้การน้องคิดกำลังคุยกันนี่ก็เรื่องปัญญาอยู่แล้ว ก็ให้คิดให้คุยกับตัวเองอยู่เรื่อยๆครับเวลาไม่ได้อยู่ในสมาธิเดินจงกรมก็คิดว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราเดี๋ยวมันต้องตายเป็นดินน้ําลมไฟถ้าไปยึดไปติดก็จะทุกข์ถ้าไม่ยึดไม่ติดก็จะไม่ทุกข์สอนไปอย่างเงี้ยตอนที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิก็สอนใช้ปัญญาได้ตลอดเวลาอืม คิดทางปัญญาไม่ใช่ไปคิดว่าเป็นตัวเราเราชื่อในกอในขอมีตำแหน่งนั้นมีตำแหน่งนี้ตายไม่ได้เจ็บไม่ได้เดี๋ยวการงานจะเสียระบบจะเสียคิดอย่างนี้มันก็เครียดขึ้นมาคิดนี้มันก็ทุกข์ขึ้นมาคิดว่าไปห้ามความตายไม่ได้จะเป็นในกอในขอมีตำแหน่งอะไรก็ห้ามมันไม่ได้ถึงเวลามันจะตายมันก็จะตายของมัญญนอะย่างนั้น โอเคครับท่านยอมรับความตายนะเราก็จะหายทุกข์ครับถ้ายังทุกข์อยู่ก็แสดงว่ายังไม่ยอมรับความตายครับผมยังมองไม่เห็นความตายว่าเป็นของจริงของแท้ของแน่นอนยังคิดว่ามันเป็นนิทานอยู่คิดว่ามันไม่เกิดกับเราเกิดกับคนอื่นแต่กับเราไม่เกิดไม่ได้แล้วแผ่นซีดีนี่ต่อนเนื่องจาก ปิดที่ท่านมีไมหมฮะท่านท่านคยจยเป็นเป็นบล็อกสิวฮะมันก็ไล่ตามวันที่ไปเรื่อยๆไล่ตามวันใช่ไหมครับมีวันที่เขียนไว้อยู่ข้างหลังโอเคครับแล้วก็ทํทำไปเป็นแผ่นๆไปหมดชุดนี้ก็มีชุดใหม่ต่อไปแจกไปเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวนี้ก็เข้าไปดูใน y o u t u ู e ในเฟ e b o o กก็ได้ยังี มีถ่ายทอดสดวันนี้ก็อเนี้ยตอนนี้ถ่ายทอดสดผ่าน YouTube กับเฟ e b o o k อยู่เมืม่อกี้มีคนติดตามตั้งห้าร้อยกว่าเฟซบุ๊กยูทูปก็สองร้อยกว่า <Okay. S 2> ก็มีติดตามทุกวันเนี้ยเดี๋ยวก็มีส่งคำถามเข้ามาเดี๋ยวจะตอบคำถามของคนอื่นต่อไปถ้าไม่มีคำถามอะไรอีกก็ไม่มีแล้วครับโอเค ถ้านอาจารย์คะขออ น, นุญาตกราบถามค่ะจริงๆถ้านาจารสรุปตอนท้ายค่ะยมเข้าใจว่าต้องพอทำอยังไงเหมือนที่ท่านอาจารย์สอนอยู่ทุกครั้งก็คือเจริญสติทําสมาธิทำวิปัสนาแต่วันนี้ยแปลกใจที่ท่านอาจารย์บอกว่าสมมติว่าเราเริ่มรู้สึกว่าใจมันมีอุเบกขาค่ะเริ่มอยู่ได้ แล้วเราก็ไม่ได้สามารถเข้าฌานได้ค่ะท่านอาจารย์แล้วก็เราก็เริ่มเห็นว่าบางทีอกิเลสที่เราคิดว่ามันน้อยลงมากมันก็เริ่มฟุ้งขึ้นมาคะท่อาจารย์ฟุ้งขึ้นมาแล้วก็ใช้ปัญญาเขาเบรขาซึ่งมันไม่จําเป็นต้องเข้ารูกประชานหรือลูประชามเพื่อเสพสุขถ้าเข้าไปก็หนีมันเข้าไปก็หนีมันค่ะต้องเฉยค่ะตองรู้ว่ามันเป็นพิษเป็นภัยกับเราอย่าไปทําตามมันเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วทางเดินเข้าสู่มรรคถ้าโยมทําแค่สติสมาธิปัญญาอย่างที่ท่านอาจารย์บอกแล้วก็ใช้จิต ที่เป็นปกติเนี่ยสู้กับมันได้โดยที่ไม่ต้องหลบในชานได้ใช่ไหมคะไม่ได้แล้วต้องเข้าชานก่อนมันถึงจะมีอุบเเบกขาติดออกมาเหมือนน้เนี่ยถ้ายังไม่แช่เย็นมันก็ไม่เย็นอยู่นอกตู้เย็นมันไม่เย็นต้องเอาเข้าไปแช่ตู้เย็นก่อนพอมันเย็นแล้วทีนี้ก็มันก็สามารถเฉยกับความอยากได้ งั้นถ้าเกิดเราไม่รู้ว่าชานคืออะไรเมื่อไหร่ก็ตามที่อุเบกขาเราเป็นของจริงมันจะสู้กับความอยากได้ใช่ไหมคะอาจารย์ถ้าได้ก็ไม่ต้องใช้สชานไม่ต้องใช้อะไรก็ได้แสดงว่าเรามีอุเบกขาสิ่งที่เราต้องการจากชานก็คืออุเบกขาเนี่ยมาเชิญเข้ามาเดี๋ยวเอาไมโครโฟนถ้าไม่มีก็ต้องกลับเข้าไปในชานก่อน ถ้าพิจารณาสู้กิเลสไม่ไหวก็เข้าไปในฌานเพื่อไปเติมอมเบคขาวถึงแม้ว่าจิตจะไม่ได้ดิ่งลงบูกก็ไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรให้มันนิ่งให้มันเฉยไม่ให้ไม่ให้มันฝืนความอยากให้ได้ก็แล้วสัญญาไปทำตามความอยากได้ เรียนถามพระอาจารย์ว่ากรรมตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหามันคืออะไรนะครับการ ม, มาตัณหาก็คือความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยอยากเดิมอยากกินอยากรับประทานอยากเที่ยวอยากดูอยา ก, ยากฟังนี่เรียกว่าการ ม, มาตัณหาออพอเสพแล้วมันก็ติดเหมือนยาเสพติดมันต้องเสพอยู่เรื่อยๆ ร่างกายตายไปมันก็จะกลับมาหาร่างกายอันใหม่เพราะต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการเสพรูปเสียงกลิ่นรสต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายก็จะต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อยู่เรื่อยเพื่อมาเสพกลามต่อไปแล้วภาวะตัณหาก็ความอยากเสพความสงบที่เกิดจากรูปฌานนั่งสมาธิแล้วก็จะติดสมาธิ ส, สมาธิก็มีสองระดับภาวะารูปฌานกับอรูปฌปานารูปฌานก็คือวิภาวะตัณหาความอยากจะเสพอรูปฌปานก็เรียกวิภาวะตัณหาคือไม่อยากจะมีอะไรเวลาอยู่ในอรูปฌปานนี้มันไม่มีอะไรมันว่างอยากจะเสพความว่างส่วนรูปฌปานนี้ยังจะเสพความสงบที่ความสุขที่เกิดจากความสงบก็เป็นภาวะตัณหาด้วยเป็นความอยาก มันก็อย่าไปอยากมันถ้าอยากเรามันก็ต้องกลับมาเสกอยู่เรื่อยๆก็ออคือเราแต่ต้องใช้มันเป็นเครื่องมือในการที่เราจะเอาปัญญามาสอนใจให้ไม่ให้ทำตามความอยากคือเราจะทำสมาธิโดยที่ไม่ต้องมีความอยากเวลาทำสมาธิมันก็มันก็อยากทำได้ไม่เป็นไรแต่ทำแล้วอย่าไปติดมันเอามาเป็นเครื่องมือ สมาที่เป็นเครื่องมือที่เราจะมาใช้ในเบื้องต้นก็นมาใช้หยุดความอยากเสพกามก่อนพอเรามีความสุขจากสมาธิความหิวที่อยากจะเสพกามมันก็มันก็ลดเราก็หยุดมันได้เ <Yeah. S 1> พราะเรามีความสุขอีกแบบหนึ่งมาแทนที่ความสุขที่ได้จากการเสพการแต่เราก็มาติดความสุขที่เกิดจากความสงบเราก็ต้องไม่เสพมัน <Yeah. S 1> ล้วก็ต้องอยู่เฉยๆโดยที่ไม่ต้องเข้าเข้าฌาก็ได้ yeah. คำถามจากทางอินบ็อกซ์ครับเวลาทําวัดสวดมนต์ทำไมความคิดเรื่องต่างๆจะวิ่งเข้ามามากมายครับจะ แ, แก้ไขยอย่างไรครับเพราะมันวิ่งเข้ามาทั้งวันอยู่แล้วพรเราไม่หยุดมันเราต้องหยุดมันก่อนที่เราจะมาไหว้พระสวดมนต์นะหยุดมันตั้งแต่เริ่มตื่นเช้าขึ้นมามันจะเริ่มวิ่งเราก็ต้องตัดแข่งตัดขามันนะ ต้องต้องหยุดมันตั้งแต่ลืมเตือนลืมเตื่มเตื่นขึ้นมาพอลืมตามันเริ่มคิดก็ต้องพุโทโธพุโทโธแข่งกับมันนะเอย่าปล่อยให้มันคิดมั้งพอคิดแล้วมันก็เหมือนรถที่วิ่งลงเขาอ่ะยิ่งคิดก็ยิ่งคิดเร็วขึ้นมากขึ้นอยู่เรื่อยเรื่อยเราต้องคอยแตะเบรกใช้พุโทโธคอยแตะมันคอยเบรกมันอยู่เรื่อยเรื่แล้วต่อไปเวลาส่วนมนนั่งสมาธิความคิดจะเข้ามาน้อย คำขาวคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามหนูมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสายงานที่ทำเพราะไม่ได้รับความเป็นธรรมจากเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเจ้าคะ่ะในกรณีนี้ที่ได้ร้องเรียนเพื่อความถูกต้องถือว่าเป็นกรรมหรือเป็นการผูกเวรกับเขาหรือไม่เจ้าะ่ะก็ถ้าเปทาให้เขาโกรธเราเขาก็อาจจะจองเวรจองกรรมเราได้ เห็นเราก็ต้องคิดให้ดูกันว่าเราจะเอาอะไรดีเอาความถูกต้องหรือเอาจองเวรจองกรรมเราอาจจะได้ความถูกต้องแต่เราอาจจะมีเจ้ากรรมนายเวรติดตัวมาด้วย <Drum package> ความถูกต้องไม่ต้องไปเรียกร้องมันถูกมันก็ถูกอยู่แล้วมันผิดก็ผิดอยู่แล้วไม่จาําเป็นจะต้องไปเรียกร้องเลยเมื่อเรารู้มันผิดก็ผิดก็แล้วกันเราอย่าไปทําตามมันมันก็หมดปัญหาคนที่ทําตามเมื่อเขาทาผิดเดี๋ยวเขาต้อจับเขาก็ ต้องรับโทษของเขาไปเองอยู่ดีอันนี้ไม่ใช่เรียกความถูกต้องแล้วต้องเรียกผลประโยชน์มากกว่าบางทีเราเสียผลประโยชน์เพราะเขาทําไม่ถูกต้องเราก็อยากจะถ้าไม่เสียผลประโยชน์นี่เราไม่เรียกร้องกันหรอกกิเลสมันหลอกเราหลอกให้เราไปชนกับเขาแต่ความจริงเราต้องการผลประโยชน์เพราเราไม่ได้ผลประโยชน์เราก็เรียกร้องความถูกต้องความจริงต้องรับความจริงว่าเราไม่เรียกร้องความถูกต้องเราเรียกร้องผลประโยชน์ แต่ถ้าเราคิดว่าผลประโยชน์ที่ได้ได้ไม่คุ้มเสียก็อยากไปเอามันดีกว่าถ้าได้แล้วมาต้องมีคนมาจองเวรจองกรรมมันไม่ดีหรอกดีไม่ดีเดี๋ยวเ้ามาจ้างคนมาจุดไฟเผาบ้านเราอย่างเงี้ยเห็นไหมแล้วเราได้อะไรมากับเสียไปอันไหนมันคุ้มค่ากว่ากันคำถามจากคุณท่งใจมีสุขผมอยากทราบว่าวิธีการปฏิบัติกับ การมตัญหาควรทำอย่างไรครับอาก็อยากก็ต้องฝืนมานี่ยอยากดูหนังตอนนี้ก็เลิกดูหนังดูก่อนทำของที่ง่ายๆ่ยก่อนข อ, ของที่ค่อยไปหาของที่ยากขึ้นยากขึ้น อ, อยากไปเที่ยวก็ลองตัดลงหรือลดลงก็ได้ไป เ, เที่ยวทุกวันก็ลดลง วันวันเว้นวันเรืออะไรไปค่อยๆลดมันไปค่อยฝืนมันไปความอยากมันจะหมดเมื่อเราฝืนมันเท่านั้นไม่ทำตามมันถ้าเราทำตามมันแล้วมันจะกลับทวีคูณขึ้นมาอยู่เรื่อยๆ ถามจากคุณภัยหลิวอ่านหนังสือในใจถือว่าเป็นความคิดไหมครับก็เป็นความคิดเพียงแต่อาศัยหนังสือเป็นตัวมากระตุ้นให้เราคิดเราจะอา่านหนังสือธรรมะกันไงเพราะาเราไม่มีความคิดที่จะคิดไปในทางธรรมะเราก็เลยต้องอาศัยความคิดของพระพุทธเจ้าของพระอรหันตสาวกมากระตุน้นให้เราคิดเหมือนพระพุทธเจ้าคิดเหมือนพระอรหันตสาวกนะต่อไป ความคิดเหล่านั้นมันก็จะคิดไปของมันเองโดยอัตโนมัติเพอเราคิดบ่อ ย, อ ย, อยๆไปในทางนี้ต่อไปมันก็จะมันก็จะฝังอยู่ในใจของเราเมื่อก่อนคิดจะล้างแค้นอย่างนี้ไม่เอาดีกว่าไม่อยากจะมีเรื่องแพ้เป็นพระชะนะเป็นมารดีกว่ามันจะคิดอย่างนี้คําถามจากคุณจันภาสภาวะที่เกิดดวงตาเห็นธรรม เมื่อเห็นผู้ที่รู้ว่าร่างกายไม่ใช่ของเราแล้วผู้ที่รู้นั้นจะปรากฏตลอดไปหรือปรากฏเพียงชั่วขณะที่เกิดดวงตาเห็นธรรมครับพอผู้รู้มันอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่ว่ามันหลงมันแต่เห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงเท่านั้นเองพอมันเห็นสิ่งที่เที่ยงว่าไม่เห็นสิ่งที่เที่ยงว่าไม่เที่ยงมันก็ มันก็หายหลงมันก็ปล่อยวางสิ่งที่มันไปยึดไปติดเท่านั้นเองผู้รู้ก็อยู่ตลอดเวลาไม่ต้องไปสนใจตัวผู้รู้ไม่ต้องไปเห็นตัวผู้รู้สิ่งที่เราต้องการเห็นไม่ใช่ตัวผู้รู้เราต้องเห็นความจริงในสิ่งที่เราไปหลงไปยึดไปติดเท่านั้นเองว่ามันไม่เที่ยงมันไม่มันจะทำให้เราทุกข์เวลาที่มันไม่เที่ยงถ้าอยากถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปคิดว่ามันเที่ยงว่ามันไม่เที่ยง เดี๋ยววันดีคือดีมันก็จะจากเราไปหายไปหมดไปคำถามจากคุณวัลพรในช่วงที่สิทธิ์ต้องดูแลคุณพ่อที่มีอายุมากแล้วควรปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้มีความเจริญในทางธรรมพร้อมทั้งน้อมนำจิตใจของคุณพ่อให้มีธรรมะเป็นที่ยึดเหนี่ยวในวาระสุดท้ายครับอสอำหรับตัวเราเราก็แยกเวลาเสเวลาเลี้ยงพ่อกับเลี้ยงไป เวลาไม่ต้องเนี้ยงพ่อเราก็ไปภาวนาหรือไปเจริญสติไปอ่านหนังสือธรรมะของเราไปส่วนเรื่องของพ่อเขาจะมาสนใจธรรมะหรือไม่ก็ถามเขาดูเลยพ่ออยากจะฟังเทศไหมพ่ออยากจะคุยธรรมะไหมของนี้ต้องเกิดจากความสมัครใจความอยากของเขาถ้าเขาไม่อยากเราไปยัดเยียดให้เขาเหมือนกับเอาอาหารที่เขาไม่ชอบกินให้เขากินอย่าเดี๋ยวเขาก็คลายทิ้งหมดน งั้นต้องถามเขาก่อนต้องดูว่าเขาพร้อมเขาอยากที่จะเข้าหาธรรมหรือไม่ถ้าเขาไม่อยากก็อย่าไปบังคับเขาเนี่ยคำถามจากคุณภไพรวิวเห็นการฆ่ากันแล้วทําให้จิตใจเศร้าวควรทําอย่างไรครับก็คิดว่าเกิดมาก็ต้องตา ย, ยาทุกคนไม่ว่าจะฆ่าตายด้วยการฆ่ากันหรือตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บหรือตายด้วยความชรามันถึงเวลาก็ต้องตายด้วยกันทุกคน ที่เศร้าเพราะว่าเราไม่อยากตายกันเท่านั้นเองเพรฉนั้นเราต้องมาทักใจให้สงบก่อนแล้วเราถึงจะมองความจริงแบบไม่เศร้าได้มองความจริงแบบเฉยๆได้ถ้าใจเรายังไม่สงบไม่มีโอเบคาเรายังมีความรักชังกลัวหลงอยู่พอเห็นเรื่องที่น่ากลัวเราก็จะกลัวขึ้นมาจะเศร้าขึ้นมา ฉันต้องไปฝึกจิตแล้วก็คอยสอนใจอยู่เรื่อยๆว่าเกิดมาแล้วก็ต้องตายด้วยกันทุกคนไม่มีใครร่วงพ้นความตายไปได้คำถามจากคุณจิตนาผู้ที่ต้องการพระนิพพานต้องตัดความอยากทั้งหมดรวมทั้งตัดความอยากในนิพพานด้วยไหมครับเราความอยากในนิพพานไม่ต้องไปตัดเพราะเราไม่ได้ไปอยากเหมือนเราเราอยากเราต้องการจะตัด สิ่งที่มาทําให้จิตใจเราทุกข์ที่พาให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดพอเราตัดสิ่งที่มาทําให้เราเวียนว่ายตายเกิดได้เราก็ได้นิพพานขึ้นมาโดยอัตโนมัติไม่ต้องไปอยากนิพพานขอให้อยากฆ่ากิเลสก็พอแล้วนิพพานก็จะเป็นผลตามมาอย่าไปอยากที่ผลให้ไปอยากที่เหตุอยากรวยก็ต้องขยันทํางานเก็บเงินหาเงินแล้วเดี๋ยวก็รวยเอง ถ้าอยากรวยแล้วมานั่งรอเมื่อไหร่จะรวยทั้ทีไม่มีวันรวยเราก็จะทุกข์จะเครียดคำถามจากคุณบุษราคัมฟังธรรมะออนไลน์หรือร่วมศาสนาพิธีทางออนไลน์จะได้บุญเหมือนไปสถานที่จริงหรือไม่ครับก็แล้วแต่ว่ามันได้ได้ผลหรือเปล่าจากการทำถ้าได้ความสุขได้ความสงบก็ได้ผลก็เถอะก็เหมือนกับไปอยู่ในสถานที่นั้น บางคนไปอยู่ในสถานที่นั้นเกิดไม่ไม่ได้ผลก็มีเยอะแยะไปแล้วแานที่จิตใจจะจดจ่ออยู่กับพิธีก็ไปนั่งคุยกันไปนั่งอะไรกันทำอะไรอย่างอื่นมันก็ไม่ได้รับผลไม่ได้รับความรู้สึกความสุขความสงบมันไม่ได้อยู่ที่สถานที่อยู่ที่ใจของเราว่าเรามีส่วนร่วมอย่างจริงจังหรือเปล่ามีสติอยู่กับเรื่องที่เรากาลังทาอยู่หรือเปล่า คำถามจากคุณสุรชัยเรื่องปัญญาที่จะพิจารณาในไตร ล, ลักษณ์เป็นการคิดถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาต้องคิดอย่างไรครับจึงจะเรียกว่าเป็นวิปัสสนาเพื่อความหลุดพ้นได้จริงๆครับก็เราต้องคิดในสิ่งที่เรามีความรักมีความหวงก่อนเรารักอะไรเราหวงอะไรก็แล้วลองพิจารณาว่าเดี๋ยวต้องมีการจากกันนะเพราะของพวกนี้ไม่เที่ยงรักเงินก็ต้องคิดว่าต่อไปเงินก็อาจจะหมดได้ อาจจะสิ้นเนื้อประเดาปดาตัวได้อาจจะถูกเขาโกงไปได้คิดอย่างนี้แล้วพอเวลาเกิดเหตุการณ์จริงจะได้ไม่เสียใจเพราะเตรียมตัวเตรียมใจรับกับเหตุการณ์ไว้ก่อนอย่านเราพิจารณาเรื่องที่ทำให้เรากังวลใจก่อนเรากังวลกับคนก็พิจารณาคนว่าคนนี้ก็ไม่เที่ยงนะเดี๋ยววันดีคนดีเขาก็อาจจะจากเราไป หรือกังวลว่าเขาจะรักเราไปตลอดหรือเปล่าก็ต้องพิจารณาว่าไม่แน่นะวันนี้เขาอาจจะรักเราเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาอาจจะโกรธหรือเกลียดเราขึ้นมาก็ได้ <Yeah. S 1> นี่คือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสิ่งต่างๆ <Yeah. S 2> เราไม่ต้องไปพิจารณาเรื่องที่ไกลตัวเราเอาเรื่องที่ใกล้ตัวเราไอ้เรื่องเอาเรื่องที่มาสร้างความกังวลความไม่สบายใจของเหล่านี้มาทาให้เราสบายใจให้ได้ yeah. Yeah. คำถามจากคุณนาวีหนูนั่งสมาธิเมื่อก่อนจะปวดหัวไหล่มากเช้าค่ะแต่เดี๋ยวนี้หัวไหลห่หายปวดแล้วแต่กับจุกตรงที่ลิ้นปีแทนเกี่ยวกับอะไรหรือเราทำบาปเยอะถึงได้เป็นแบบนี้ครับอ๋อกิเลสเยอะไม่ใช่ทำบาปเยอะออกิเลสตัณหาความอยากเที่ยวอยากกินอยากดื่มอยากดูอยา ก, ยากฟังเนยพอมันถูกกำจัดด้วยการมานั่งสมาธิมันก็เลยสร้างอาการเหล่านี้ขึ้นมาขัดขวางท่านันเอง ก็อย่าไปสนใจกันมันเราก็ทำสมาธิของเราไปเดี๋ยวมันก็หายไปเดี๋ยวจิตสงบมันก็หายไปคำถามจะคุณดวงเดือน เ, ออเมื่อกล่าวรับสีอุโบสถกับพระที่วัดในเวลาเก้าโมงเช้าอยู่ปฏิบัติธรรมถึงตอนเย็นทำวัดเย็นเสร็จแล้วกลับบ้านแต่ยังคงรักษาสิ่งแปดข้อจนถึงเชา้า อันนี้ยังเรียกว่าทรงศีลอุโบสถหรือไม่ครับเมือ่อเราอุโบสถก็ต้องอยู่ที่โบสถ์้งว่าอุโบสถก็คือโบสถ์ตายมันก็ยังรักษาศีลแปดเหมือนเดิมรักษาที่บ้านก็เป็นศีน 8, ลแปดรักษาที่โบสถ์ก็เป็นศีลแปดเพียงแต่เปลี่ยนชื่อของสถานที่เท่านั้นเองว่าฉันรักษาศีลแปดที่โบสถ์เขาก็เลยเรียกว่าอุโบสถศีลฉันรักษาศีลแปดที่บ้านก็เรียกว่าบ้านศีลก็ได้ มันก็ศีลแปดเหมือนกันไม่ต่างกันบุญก็ได้ประโยชน์ได้เท่ากันเหมือนกันคำถามจากคุณวิจัยคำถามแรกถ้าเราระลึกถึงแมวที่มันรักเราเรามีความสุขและมีความเมตตาต่อมันอารมณ์ขณะนั้นจะถือว่าพาให้เราได้บุญได้ไหมครับถ้าเป็นความสุขมันก็เป็นบุญแต่ยึดก็อยู่ว่าเป็นความสุขแบบไหน ความสุขแบบกิเลสก็กลายเป็นความทุกข์ได้ถ้าเกิดมันเป็นอะไรขึ้นมาเราไม่สบายใจขึ้นมาบุญที่ได้คิดถึงมันก็หายไปทีนี้คิดถึงมันทีไรก็ทุกข์ขึ้นมาทุกทีเพราะมันไม่สบายเหนถ้าจะคิดแบบที่จะไม่มีทุกข์ก็ต้องคิดว่ามันเป็นยังไงก็เรื่องของมันตอนนี้มันแฮปปี้ก็ดีมันเดี๋ยวมันไม่แฮปปี้ก็เรื่องของมันเพราะทุกอย่างจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอน คำถามจากคุณวิจัยคำถามที่สองครับบางครั้งเรารู้สึกคล้ายกับว่าจิตของเราบริการพุทโธเองต่อเนื่องและรู้สึกตัวเองต่อเนื่องด้วยครับรู้สึกจิตสงบไม่มีนิวรจิตขณะนั้นเป็นฌานหรือไม่ครับก็เป็นในระดับหนึ่งคือจิตไม่คิดจิตสงบก็ถือว่าอยู่ในฌานก็ได้แต่มันมีหลายระดับฌานหนึ่งฌานสองฌานสามฌานสี่หมดแล้วเลย